ก็จากจะเริ่มต้นด้วยข้อความจากพุทธธรรมนะเนะี่ยข้อนี้นี่มาจากพระไตรปิฎกนะครับแต่ผมเห็นว่าเข้าทีดีนะท่านท่านพระมหาประยุทธ์นะครับเป็นผู้เขียนขึ้นนะท่านพูดถึงเรื่องการบูชาเทวดาว่าอย่างนี้ครับนะฟังดูเข้าทีดีเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคเปิดโอกาสให้ชาวพุทธผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแต่เดิมคือสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงประกาศาศาสนาท่ามกลางบุคคลซึ่งเคยนับถือเทวดาบูชาเทวดามาทั้งนั้นนะครับบรรดาพวกพวกชาวอินเดียสมัยนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสภาพแวดล้อมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแต่เดิม การแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เทวดาจึงควรแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เทวดาต่อไปถึงจะทำพลีกรรมแก่เทวดาก็สนับสนุนเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำในฐานะสงเคราะห์แสดงเมตตาจิตต่อกันเท่านั้นนะมิใช่เป็นการอ้อนวอนหรือขอผลตอบแทนตรงนี้เข้าทีดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราไม่นับถือเทวดานะ เรามีการนับถือเทวดาโดยการสงเคราะห์ด้วยการแสดงเมตตาจิตต่อกันนะครับมิใช่เป็นการอ้อนวอนหรือขอผลตอบแทนเช่นขอหวยเป็นต้นนี่ผมผมเองนะเมื่อไปอยู่อาศัยณนะถิ่นฐานใดก็ตามควรทำการบำรุงถวายทานแก่ผู้มีแก่ผู้ทรงศีลแล้วก็ควรตั้งจิตเผื่อแผ่อุทุศ อุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้แก่เทวดาทั้งหลายในที่นั้นด้วยอย่าลืมนะครับท่านไปอยู่ที่ไหนย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับนะเทวดาทั้งหลายเมื่อได้รับความเอื้อเฟื้อแล้วก็จะมีไมตรีจิตตอบแทนเทวดาทั้งหลายได้รับการบูชาจากเขาแล้วย่อมบูชาเขาตอบนะครับเทวดาคุ้มครองรักษานะเพราะฉะนั้นถาาว่าท่าน มีโอกาสย้ายบ้านอยู่ที่ไหนก็ควรนะอุทิศส่วนกุศลและก็ทําบุญกับผู้ทรงศีนะครับผู้มีศีด้วยนะครับจึงจะอุทิศไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าหากว่าท่านไปค้างที่ไหนไปค้างโรงแรมไหนก็ดีนะครับไปค้างที่ไหนไปราชการไหนก็ ก, ก็ทําได้นะครับอุทิศส่วนกุศลให้นะครับท่านจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับข้อความเมื่อกี้นี้มีอยู่ในมหาปริญญานิพานสูตรนะ ที่พระ อ, องค์ทรงอนุญาตให้คือกล่าวยกย่องการทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาที่พระ อ, องค์กล่าวไว้ในมหาปรินิพานสูตรทีขณิกายมหาวัชที่บ้านปาตาลิคามะที่สร้างเมืองปาตาลิบุตรที่วัศการพราหมสร้างอ่ะตรงนั้นเนี่ยพระ อ, องค์ได้กล่าวอธิบายในลักษณะนี้นะสักผู้ที่ต้องการรายละเอียดลักษณะนี้เอ่อ เช่นในกุธการนิกายอุทานนะครับปตาตลีคามมยสูตรนี่หรือเปล่าครับเนี่ยพระพุพาคเจ้าตรัสกับมหาอำ ม, มาตย์ชื่อสุนีทะและวัสการะด้วยคาถาเหล่านี้ว่าบุรุษชาติบัณฑิตย่อมสำเร็จการอยู่ในประเทศใดพึงเจริญพึงเชิญท่านผู้มีศีลสำรวมแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นแล้วก็อุทิศ ทักษินาทานเพื่อเทวดาผู้สถิตยอยู่ในที่นั้ น, น, นเทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้วย่อมนับถือบูชาบุรุษชาติบัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทนแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์บุรุษชาติบัณฑิตนั้นพระหนึ่งมารดาอนุเคราะห์บุตรบุคคลอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมเห็นความเจริญทุกย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อ นะครับนี่ก็มาจากพระสูตรนะครับถ้าบุคคลใดมีเทวดาคุ้มครองรักษาก็ก็เป็นมงคลเป็นมงคลไหมครับก็คือถือว่าเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ไม่ปราชัยอะนะการพระพุทธเจ้านั้นสอนถึงเรื่องเทวดานั้นถือเป็นเรื่องปกติด้วยเพราะถ้าหากว่าเทวดาไม่มีจริงนะคำสอนผู้ศาสนาก็ผิด ถ้าบาปไม่มีจริงคําสอนผู้าศาสนาก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นเทวดาจึงมีจริงโอปปาติกะสัตว์นั้นมีจริงแต่โอปปาติกะสัตว์นั้นปฏิสนธิด้วยจิตกี่ดวงนะปฏิสนธิได้หลายดวงฉะนั้นโอปปาติกะมีหลายประเภทด้วยกันโอปปาติกะที่เป็นอบายก็มีใช่ไหมเดราชานบางชนิดเป็นโอปปาติกะ เปรตบางชนิดส่วนใหญ่เป็นโอปปาติกะอสุรกายก็เป็นโอปปาติกะสัตว์นรกก็เป็นโอปปาติกะโอปปาติกะเหล่านี้นี่ถือว่ามาจากอเฮตุกะปฏิสนธิซึ่งเป็นผลของอกุศลเจตนาส่วนเทวดาเท е วดาก็สามารถปฏิสนธิด้วยอเฮตุกะที่เป็นกุศลวิบากหนึ่งดวง ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากอกีกแดดวงพวกนี้ก็ถือว่าปฏิแม้แต่เทวดาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาคำสอนแล้วเราจะรู้ว่าที่มาของเทวดานี่เป็นยังไงนะไปมียศใหญ่ไปมีบริวารเยอะไปมีความสุขมากมายมหาศาลหรือว่าผู้ที่ไปได้รับผลแห่งความทุกข์สเสวยวิบากที่ทุกข์เผ็ดร้อนเราก็รู้เหตุว่าไปจากไหน เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ดีก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องกรรมมสกาานั้นกรรมสกตานั้นถือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพบหน้าไม่มีเทวดาไม่มีหรือว่าอบายภูไม่มีประโยชน์อะไรด้วยการมาศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าอังคติราชบอกว่าโหเสียเวลาคุยกับพระคุณเจ้าว่างั้น จะเรีบไปสวยกามเพรางนั้นกลัวเสียเวลานะเรีบไม่ขากลับไม่ไหวด้วยเสียเวลาไปกินเหล้าอ่ะใช่ไหมเพราะผลของบุญไม่มีผลของบาปไม่มีอ่ะถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันใหม่ก็แล้วกันอย่างนั้นนั่นเป็นลทัทธินอกพระพุทธศาสนาจะกล่าวอย่างนั้นแต่ท่านในพุทธศาสนา ก, ก็จะกล่าวว่าเหตุนี่มีผลเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงในลักษณะว่าสิ่งที่เรากําลังทําคําที่เรากําลังพูด อย่างที่อาตมาพูดแต่ละคําแต่ละคํานี่มันก่อปฏิสนธิได้ทั้งหมดเลยนะเจตนาเหล่านี้เนี่ยเจตนานี้สมควรปฏิสนธิที่ไหนนะอาตมาแหละจะรู้ดีเพราะว่าที่ถามว่าปฏิสนธิที่ไหนก็ต้องถามว่ากูเจตนาที่พูดนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศนก่อนใช่ไหมไม่ใช่สักแต่ว่าพูดแจ้วแจ๊วฟังต้องกุศลไม่แน่นะนะถ้าตั้งความปรารถนาเป็นอื่นก็ไม่ใช่กุศล แล้วเจตนาที่ทำให้เกิดการพูดเนี่ยให้ผลในกิระิยะคำพูดอันนี้นะโดยนานาคขขนณิก ก, กรรมให้ผลกิระิยะนะเจตนาดวงที่หนึ่งที่กาลังพูดอยู่นี้เป็นให้ผลในชาตินี้ถ้ามันมีกำลังนะถ้าประโยคะในข้างหน้าดีอ่ะเจตนาอันนี้ให้ผลได้ต่อไปอีกเจตนาดวงที่เจ็ดสามารถชักปฏิสนธิได้ถ้าเป็นหากุศลนะได้ ในมนุษย์กับเทวดาแล้วก็ถ้าหากว่าให้ผลหลังจากนั้นก็สามารถให้ผลในประวัติการหรือในปฏิสนธิการตามสมควรแก่เจตนานเราะฉะนั้นในขณะที่เราแสดงออกทุกครั้งเนี่ยนะมีผลนี่ก็ร่วงกรรมบทแล้วใช่ท่านนี้ถ้าเป็นมหากุสล น, นี้ก็ร่วงกรรมบทพร้อมที่จะให้ผลเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็กำลังรับวิบากแห่ง ดำอยู่ด้วยใช่ไหมจากขูวิญญาณเนี่ยดีดีมองเห็นผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมแต่โสตวิญญาณบางทีก็ไม่ดีดงนั้นเราแสดงว่าขณะที่เราทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุทะจะเจตนาแทรกค่อนข้างมากอนนเหตุในอดีตนั้นขณะที่เราทํากรรมเนี่ยไม่ได้ทําจิตด้วยด้วยจิตที่สงบปานิษฐแนบแน่นในอารมณ์นั้นๆแต่เราทํากุศลพร้อมด้วยอุทะจรเจตนาสลับบ่อย ผลของกรรมก็ให้ทั้งดีและไม่ดีอันในขณะที่จกักขูวิญญาณดีดีแต่โสตะวิญญาณไม่ดีบางทีโสตะวิญญาณดีดีแต่จกักขูวิญญาณไม่ดีบางทีโสตะดีจักขู่ดีแต่คานะไม่ดีบางทีอย่างอื่นนี่ดีหมดเลยแต่โพธพภะไม่ดีอเราก็สามารถสลับได้โอ้โหเจตนาที่ทําไว้ในอดีตค่อนข้างวิจิตรทั้เราก็มองมาที่ มโนสัญเจตนาหารเจตนาที่นึกคิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเจตนาเหล่านี้ให้ผลถ้าเราเข้าใจในเรื่องเจตนาในขณะนี้เราจะรู้ชีวิตของเราต่อไปด้วยเพราะชีวิตในขณะนี้แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อชีวิตของเราในขณะต่ อ, ตอไปนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรากําลังทําคําที่เรากําลังพูดนะ เราจะสามารถมองเห็นว่าอดีตที่ผ่านมานั่นแหละคือสะสมมาทําให้มีความรู้เท่านี้นึกคิดแบบนี้อาศัยข้อมูลที่ผ่านมาข้อมูลที่กําลังรับกําลังเกี่ยวข้องกําลังเสพเพื่อเป็นปัจจัยต่อไปข้างหน้าอีกอันชีวิตเราก็มีอยู่แค่นี้แหละพระองค์จึงแสดงว่าถ้าขันแล้วก็เป็นทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตพร้อมทั้งปัจจุบันแต่ก็มีภายในด้วยมีภายนอกด้วย กระแสชีวิตมันก็เป็นไปในลักษณะนี้วัตะก็คือขณะนี้แหละสังสารวัฏก็อยู่ในขณะนี้ขณะนี้เรามีวิปากาวัฏไหมนี่นะวิปากาวัฏทั้งวิบากและกรรมชรูปขณะนี้ก็มีวิบากและกรรมชรูปก็หลากหลายอีกคนหนึ่งกําลังเห็นอีกคนกําลังได้ยินนะถ้าถ้าหาเอาเป็นกลุ่มนะใช่ไหมนี่ก็คือวิปากาวัฏพอได้รับวิบากเหล่านี้แล้วสภาพจิตเราคิดอะไรอันนั้นเป็น กรรมวัตรหรือกิเลสวัตรก็อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นกุศลก็เป็นกรรมวัตรไปเลยถ้าเป็นอกุศลก็เป็นกิเลสวัตร ด, ด้วยและกรรมวัตรด้วยดังั้นกระแสวัฏะก็เป็นไปในลักษณะนี้พวกนี้ความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะสามารถที่จะมองชีวิตไม่ได้มองแค่ขณะ น, นี้แต่มันมองแบบจะใช้คํำยังไงเนี่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีมองลักษณะนี้สืบเนื่องเกี่ยวเนื่องกันไป อย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารธรรมหรือสังคตะธรรมแต่ขึ้นชื่อว่าสังคตะธรรมนั้นพระองค์กล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพรา ะ, ะนันเราจะถือสิ่งเหล่านี้เป็นสาระแก่นสารเป็นจริงเป็นจังไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีจริงวิบากกรร ม, มชรูปเจตนากรรมเหล่านี้มีจริงแต่จริงแบบทุกขสัต จริงแบบว่างอ่ะว่างจากผู้สร้างผู้เสวยผู้ทำอ่ะจริงแต่ไม่เที่ยงจริงแต่ไม่มั่นคงจริงแต่ไม่มีสาระนั่นละเนี่ยเรียกว่าทา ม, มีคถาเพื่อวิวัตะมันจะเป็นลักษณะนี้มันไม่น่ารื่นรมสักอย่างอ่ะโลกไม่น่าอภิรมแม่แต่แห่งเดียวอายตนะภายในเหมือนกับบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นอ่ะอ่านะ แต่ถ้าเป็นวัตถานะเ อ, อ้ยนี่ก็ได้บุญแล้วนะบุญอันนี้เนี่ยโอ้ยปฏิสนเทศในภพที่ดีแน่นอนเลยอันเลือกเอาหลายๆอัธยาศัยกันแล้วกันเออถ้าพูดเป็นเชิงวิชาการนะหรือว่าเป็นภาษาธรรมะเมื่อกี้ท่านกล่าวถึงเรื่องวิปากวัฏน ะ, ะกรรมวัฏโดยเฉพาะกรรมวัฏนี่นะฮะถ้าจะอธิบายแบบ พระพิธรรมนะก็หมายความว่าเจตนาในชาวนะทุกชาวนะไม่ว่าเป็นกุศลชาวนะอกุศลชวนะมีผลหมดนาเกิดได้และให้ผลหลังจากเกิดแล้วเป็นในประวัติการก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ถ้าบอกว่าทุกขณะจิต ท, ที่ท่านคิดนี่เนาะมีผลหมด เจตนาที่ท่านคิดนี่นะมีผลหมดหมาชักสะดุ้งเลยนะชักสะดุ้งเลยนะ<ม>เว้นเจตนาในโมหะมูลจิตที่ไม่นําเกิดได้แต่ก็ให้ผลในประวัติการมโมหมูลจิตที่ประกอบไปด้วยอุทธจัสัมปยุทธ์ดวงเดียวเท่านั้นนะนะในอักุรรจิตสิบสองดวงนี้นะดวงนี้เท่านั้นนะที่ไม่นําปัจสนที่ แตม่มาเกิดแล้วไม่นํธธาเป็นส่วนที่แต่ก็ให้ผลในประวัติการส่วนมหากุศ่วแปดแน่นอนครับนะครับให้เป็นส่วนที่ก็ได้แล้วก็ให้ผลในประวัติการก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ก็อย่างนั้นนะแต่บอกว่าความคิดทุกขณะนี่มีผลนี่เสียวไซม์เหมือนกันนะผู้การพูดนี่มีผลนะนะอ่านะคำพูดทุกคําที่พูดเนี่ยมีผลนะยมหมอหัวเราะก็มีผลด้วยเอาจะไปไหนดีอะ เจตนาที่ทําให้หัวล้ออันนั้นเนี่คืออะไรก็สามารถที่จะทักได้เลยนะเป็นเทพพยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงนั่นแหละถ้าดวงนี้ให้ผลนะแต่ทีนี้มันทำ ม, มันทํากรรมวิจิตอะทั้งบุญทั้งบาปพระองค์ยังว่าทั้งกรรมดําทั้งกรรมขาวอันวิบากก็คัดเอากันแล้วกั น, นจะรับเอาแบบไหนก็เหมือนกับเราเนี่ยบทีก็รับตาเนี่ยเห็นดีดีโสตให ม, ม่ดี <c oughs> ก็เป็นอย่างไง น, นะ ตานี้ดีโสตาดีแมแต่มันปวดขาแล้วเกินยุงก็กัดอาการก็ร้อนเงี้ยไม่แน่นอ น, น, นวิบากมันวิจิตคำสอนเหล่านี้เนี่ยก็อาศัยคำสอนของพระผู้มีพระภาคซึ่งเราก็พยายามที่จะศึกษาและก็ค้นคว้าต่อไปเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของชีวิตชีวิตมีกี่อย่างเนียชีวิตมีกี่อย่างถ้าใช้คำว่าชีวิตปุ๊บเนี่ย ผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยว่าชีวิตมีกี่อย่างมีสองอย่างชีวิตตนามและชีวิตตะรูปในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยมีชีวิตทั้งกี่ยทั้งสองอย่างเลยใช่ั้ยจิตเห็นก็เป็นชีวิตตนามจากขูปราสาทะมีกรร ม, มชร่ช่รวบร่วมด้วยก็เป็นชีวิตต่รูปชีวิตตะรูปอยู่ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง ปัจจัยที่ทำให้ชีวิตรูปหล่อเลี้ยงอยู่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยด้วยปัจจัยคือเอาแบบภาษาเราเราภาษาทางธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็คือชีวิตเนื่องด้วยอาหารนะถ้าไม่มีอาหารเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้แค่ไม่มีอาหารนี่ก็ชักยิ้มไม่ออกแล้วนะถ้าไม่มีหลายๆวันนี่ก็เสร็จแน่อันนะส่อไปชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ชีวิตเนื่องด้วยจิตถ้าชีวิตตรูปเนี่ยเนื่องด้วยจิตอีกครั้งถ้าจิตอันนั้นมีกำลังมากชีวิตตรูปก็สดใสเหมือนกันถ้าจิตอ่อนกำลังชีวิตตรูปก็ง้อยเงาเหมือนกันมันแล้วแต่ชีวิตชีวิตตนามชีวิตตรูปเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ด้วยชีวิตตนามแต่ถ้าชีวิตตนามแล้วไม่มีใครมีชีวิตอยู่สองขณะจิต ถ้าชีวิตตนามไม่มีใครมีชีวิตอยู่สองขณะจิตแม้แต่พรมที่มีอายุ 84%,00 มมหากับก็อยู่ด้วยชีวิตขณะจิตเดียวแต่สืบเนื่องกันไปโดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปแปดหมื 8, 000, 000, ่นสี่พันกรทแล้วก็จุติและก็ชีวิตเนื่องด้วยอะไรอกีกธาตุสถ้าลองาธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมันกําเริบนะ เสียหายเลยอยู่ๆ อ, อย่างเงี้ยธาตุลมเกิดกำเรบิบสะอึกขึ้นมาลมมันเสียดแทงขึ้นก็ไม่ได้ความร้อนเกินไปก็ไม่ได้แต่และแข็งเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์สอนเรื่องกรรมฐานคือเรื่องของธาตุสีอ่าธาตุสี่ที่เป็นรูปกรรมฐานธาตุสี่นั้นก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินที่มีอยู่ในกายของเรามีกี่อย่าง ธาตุดินก็คือผมอ่านะเอาลักษณะที่แข่นแข็งที่มีอยู่ในกายนี้ก็นับเนื่องในกายนี้เรียกว่าปฐวีธาตุเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับไตถังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่แล้วก็ อาหารเก่าแล้วก็มันสมองในกะโหลกศีรษะนี่นะเขเรียกว่าเป็นปฐวีธาตุที่มีอยู่ในภายในและอโปะธาตุที่เป็นธาตุน้ําที่มีลักษณะเอื้ออาภมีอยู่ในธาตุน้ําก็คือน้ําดีน้ําเลือดน้ําหนองน้ำเสเลดน้ํามันข้นน้ํามันเหลวน้ําไขข้อน้ํามูดแล้วก็น้ําตา ส่วนที่เป็นธาตุลมธาตุลมก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่าลมในท้องลมในลําไส้ลมพัดทั่วสารพางกายแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกธาตุไฟธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ช่วยย่อยอาหารธาตุไฟที่ทำให้ร่างกาย แกชาราธาตไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไข้อุ่นๆตัวเจ็ดจับแล้วร้อนๆเนี่ยเขแสดงว่าธาตุไฟไข้เป็นหนึ่งที่ทําให้ไข้แล้วก็ อ, ก อ, กอีกอันหนึ่งเนี่ยพึ่งอนามาพึ่งใส่ใจเป็นพิเศษเลยอ่ะนะก็คือธาตุไฟที่มันทําให้ชาราชีรณเตโชเมื่อก่อนก็สังเกตแต่ว่ามันไม่มากนะคือเราพิจารณากรร ม, มชรูปปุ๊บเราก็เห็นกรมมชรูป นี่ในการมาชูปบางอย่างปุ๊บพอเรามองเห็นเอ๊ะมันชราแต่ก็ไม่ไม่ได้พิจารณาทำไมรูปชรานั้นจึงจึงชัดเจนขึ้นก็นึกถึงโอ้โหอันนี้มันอาศัยชีระเตโชเตโชธาตที่มันเผาไหม้อะทำให้ชราบางท่านนี้ไม่เจอกันปีเดียวนี่โอ้โหเราเนี่ยตกใจเลยเหมือนกันโหแก่ขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้ไม่ตายอยู่ได้เลยเนี่ย นะตายง่ายๆเลยงั้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามไปจะให้เขาไปก่อนดีกันน ะ, ะนี่ทั้งหมดนี้เป็นรูปกรรมฐานอ่าเป็นรูปกรรมฐานในรูปกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคยังทรงสแสดงไว้ในอ่าทีฆานักขาสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าน่าสนใจพระองค์กล่าวว่าอคิเวสนะก็กายนี้มีรูป เป็นที่ประชุมมหาผู้ทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาโอ้โหอุตสาห์ทั้งอบทั้งนวดทั้งฟันในที่สุดก็ต้องแตกก็ได้ยินนะกายก็เหมือนกับหม้อดินไม่ต่างกันถึงโอโ้โหโหล่อเลี้ยงดียังไงก็ตามนะที่สุดของเขาก็คือการ แตกก็เหมือนกับแก้วนะไอ้แก้วน้ําอ่ะที่มันบอบบางอ่ะนะถึงจะประคองดียังไงก็ต้องแตกไข่ก็เหมือนกันอะ่ะประคองดียังไงพอเผลอไปแพ็ปเดี๋ยวอา้าวแตกไปแล้ะกายนี้ก็เหมือนกันถึงจะฟูมฟักเลี้ยงดูขนาดไหนก็ไม่เกินร้อยปีสมัยนี้นะของธรรมาถ้าเอาสักครึ่งหนึ่งก็พอละหารสองพอละมีความแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทรมเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้กายนี้คืออะไรกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่ว่าไปเมื่อกี้นะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร เป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่อันนี้เป็นปริญญาข้อไหนนะพิจารณาลักษณะนี้เป็นปริญญาข้อไหนข้อสองคือตีรณปริญญายาตะปริญญาก็พูดแล้วใช่ไหมว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะที่อธิบายแบบเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่ายาตะปริญญาผมมีกี่รูป ใช่พร้อมทั้งปัจจัยของสิ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมละเอียดแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องใช้ศัพท์มากมันเยอนเย้อะปะปาเขาบองั้นอย่างภาษาดิบุตรไปว่ากับพระสัชชีใช่ไหมข้าพเจ้าต้องการแต่เนื้อความพยัญชนะมากมีประโยชน์อะไรว่างั้นพระองค์ <c oughs> ก็กล่าวต่อไปว่าท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใ่ในกายความอยู่ในอำนาจของกายในกายได้ ถ้าหากว่าพิจารณากายอันนี้เนี่ยโด ย, ยตีรณะประิญญาในลักษณะนี้ก็จะทําให้เกิดปหานะประิญญาสามารถที่จะละความเยื่อใหญ่ท่านใช้จำนวนดีนะเยื่อใหญ่ตัดบัวยังมีเยื่อให ญ, ยยใหญ่ถ้าหากว่าเราพิจารณาเนี่ยใยที่เราผูกพันติดพันในกายนี้ก็สามารถที่จะตัดเยื่ออันนี้ออกไปได้ อคิเวสนาะเวทนาสามอย่างนี้นี่แสดงว่าเลื่อนมหานามกายใช่ไหมมหาชีวิตนามมั่งเพราะว่าเวทนามีชีวิตประกอบด้วยไหมเจตสิกดวงไหนโดยที่ไม่มีชีวิตตินซีเจตสิกประกอบมีมไหมไม่มีนะความรู้สึกนึกคิดขณะนี้ก็มีชีวิตอยู่ด้วยเวทนาสามอย่างก็คือหนึ่งสุขเวทนาสอง ทุกขเวทนาสามอทุกขมสุขเวทนาถ้าพวกเรานะสุขเวทนามีกี่ดวงเอาแบบชีวิตเราเลยนะนะโลภะโสมนัสสี่ดวงโสมนัสสันติระนาอีกหนึ่งดวงมหากุุลโสมนัสอีกสี่ดวงใครปฏิสนธิด้วยโสมนัสไหมถ้าปฏิสนธิด้วยมหาวิบากโสมนัสก็พอจะมีเพิ่มอีกสักดวงหนึ่งนั่นแหละมีเท่านั้นแหละ แล้วทุกทุกเวทนามีกี่ดวงมีสามดวงคือทางใจสองทางกาย1ที่เหลืออุเบกขาหมดเลยโลภะอุเบกขา 4. โทสะอุเบกขาสองจักคูวิญ ญ, ญาณอุเบกขาใช่ไหมโสตะวิญ ญ, ญาณก็อุเบกขาคานาวิญ ญ, ญาณก็อุเบกขาชิวหาวิญ ญ, ญาณก็อุเบกขาสัมปติชนะจิตสันติรณจิตก็ อุเบกขาแล้วปัญจทวาราวัชนจิตกับมโนทวาราวชนาจิตก็อุเบกขาฟังธรรมอยู่นี่ดูไม่สมนัตเลยก็แสดงว่าอุเบกขาอยู่เหมือนกันมหากุศลอุเบกขาใช่ไหมสังเกตไหมเวลาฟังธรรมไอ้อุเบกขาเวทนาสมอุเบกขามหากุศลยังมีอุเบกขาเลยกี่ดวงละอากุศลอุเบกขากี่ดวงเอามั้ยหกดวง อเหตุกะอุเบขาของเรามีกี่ดวง16ทั้งหมด18ใช่ไมของพวกเรามี16ดวงมหากุศลอีก4ถ้ามหาวิบากอีกสักเกือบ4เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่มหาวิบากนี่เอาเล่นยากที่มันยากเพราะว่าเรารู้ไหมว่าเราเป็นคนอุเบขาหรือโสมนัสแต่ถ้าของธรตมาเนี่ยดูท่าจะเป็นอุเบขา สังเกตูลักษณะนี้ถ้าอยู่คนเดียวให้ยิ้มไม่มีทางยิ้มยากจริงๆเลยเวน้นว่าแต่เจริญกรรมฐ า, านสักพักหนึ่งอะคอยอย่างช่วนนายพอจะยิ้มออกบ้างถ้าไม่งั้นเนี่ยอุเบกขาตลอดนะให้ไม่ยิ้มวันหนึ่งเนี่ยทาได้ตะบานนยตบายเลยทําบูทสักวันหนึ่งเนี่ยนะทำได้แต่แสดงว่า น, น่าจะอุเบกขานั่นแหะ